ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ด็อเตอร์ุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตแปลการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวค่ะพบกับดิฉันด็อเตอร์นิสากรภัยบูนสินทาง f m 8 9 5สเาเมกะเฮิรตสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะ วันนี้มีเรื่องราวนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันที่รัฐบาลประกาศให้กรุงเทพมหานครและนนทบุรีนะคะหยุดเนื่องจากว่าช่วยให้การ จ, จราจรคล่องตัวขึ้นนะคะในการที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมนะคะอาเซมนะคะซึ่งในวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะก็คือจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมนิศการจิ๋นสี่ห้องเต้ จินซีห้องเต้เป็นจกักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนนะคะซึ่งได้นำมาจัดแสดงที่พระที่นั่งสิวโมขพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะโดยนะคะได้นำเอากองทัพทหารดินเผามาด้วยนะคะซึ่งนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ที่ประเทศจีนนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงประเทศจีนเคะ่ะเราสามารถไปชมได้นะคะที่พระที่นั่งสิวโมขพิมาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ท้องสนามหลวงนั่นเองนะคะโดยนะคะได้เปิดให้เข้าชมนะคะในทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะเวลาตั้งแต่9นาิกาถึง18นาิกาไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมค่ะนิทรรศการจินซีฮ่องเต้เป็นนิทรรศการระดับโรคที่ส่งตรงมาจากเมืองซีอานที่เป็นเมืองหลวงเก่ามากของจินซีฮ่องเต้เลยนะคะในมณฑลซานซีสาธารณารัฐ ประชาชนจีนค่ะมีผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งสิ้น 88,463 คนนะคะค่าเข้าชมคนไทย30บาทชาวต่างชาติ200บาทแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะแสดงบัตรผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการเข้าชมฟรีนะคะแต่ว่านะคะเพื่อไม่ให้นะคะ แออัดนะคะในการเข้าชมนะคะแบบชมอย่างสบายๆก็จะจัดรอบนะคะให้กับผู้เข้าชมรอบละ80คนนะคะห่างกันไม่เกิน15นาทีนะคะโดยการเข้าชมก็อยู่ยที่รอบละ45นาทีด้วยกั น, นะคะ mm ่ะ hmm. คุณฝั่งท่านใดว่างๆ ว, ว, วันนี้นะคะสามารถที่จะไปชมนิทัรการจิน4ี่ห้องเต้ได้จนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ โดยนะคะจะต้องไปชมนะคะทุกวันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์และวันอาัคารปิดนะคะคุณผู้ฟังการเข้าชมนะคะสามารถถ่ายรูปได้จากมือถือห้ามใช้แฟลชห้ามใช้ไม้เซลฟี่แล้วก็ไม่อนุญาตให้นํากล้องถ่ายรูปเข้าไปค่ะกระเป๋าสะพายขนาดเล็กเข้าได้นะคะแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ต้องฝากไว้ ห้ามนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปด้วยนะคะและที่สำคัญห้ามล้ำเส้นแดงที่เขาจัดไว้นะคะเนื่องจากว่าจะไปสัมผัสโดนกระจกและสัญญาณสัญญาณเตือนภัยก็จะร้องดังขึ้นนะคะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเข้าชมเท ศ, ศกาลจิ๋นสี้องเต้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติงานนี้ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ อีกเรื่องนึงนะคะสถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นจึงทําให้เศรษฐีฮ่องกงนะคะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศมากขึ้นค่ะและประเทศที่เศรษฐีฮ่องกงเลือกไปมากที่สุดคือประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่ง ประเทศออสเตรเลียนี้มีผู้ยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจเพื่อย้ายถิ่นฐานไปพักอาศัยที่ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นกว่าปกติถึงสองเท่าด้วยกันค่ะและคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะงงนะคะว่าเอ๊วีซ่าประเภทธุรกิจนี้จะต้องทำอย่างไรนะคะถึงจะขอยื่นวีซ่าประเภทนี้ได้ก็คือจะต้องมีเงินลงทุนในออสเตรเลียมากกว่า 800,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือราวๆสล้านนบาทค่ะ และเมืองที่เศรษฐีฮ่องกงเลือกไปอยู่ก็คือเมืองเมืองสำคัญเลยนะคะคือเมืองซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์นนะคะจึงทำให้นะคะธุรกิจอสังหารีมารับนะคะในสองเมืองนี้ตื่นตัวแล้วก็คึกคักเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าการที่จะเข้าไปอยู่ได้นะคะจะต้องไปซื้อบ้านใช่คะ ก็จะต้องมีเงินลงทุนมากเลยทีเดียวนะคะเกือบ16ล้าน4 0 0 0 0บาททั้งซิดนีย์และเมลเบิร์นต่างก็เป็นเมืองหลวงใหญ่นะคะที่สำคัญของรัฐนิวเซา t h เวล e s และรัฐวิกตอเรียนะคะจึงทำให้ธุรกิจนะคะอสังหาริมทรัพย์ใน2เมืองนี้ตื่นตัวและคึคกคักค่ะเพราะว่าเศรษฐีฮ่องกองนิยมซื้อที่พักในออสเตรเลียด้วยราคาเฉลีย่ย 750,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะ หรือราวๆ15ล้าน4แสนบาทนะคะพูกน้ง่ายว่าการย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในออสเตรเลียนะคะก็คงจะต้องมีเงินนะคะเกือบอ ม, มากเลยทีเดียวนะคะ30กว่าล้านบาทนะคะถึงจะเข้าไปขอวีซา่าประเภทธุรกิจย้ายถิ่นฐานไปพักอาศัยที่ออสเตรเลียได้คะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วงแรกของมุมมองข่าวนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนคะ่ะ ความเสียใจคือตอนที่เสียเธอไปมันคงเป็นความทุกข์ใจที่สุดที่ฉันมี L i มไ t ร้ายได้ดาวไ a ่ก o ัวแม g เร e ไกลกลัวแค่ความจำล h หายหากมีปาฏิ มันคงเป็นความทุกข์ใจที่สุดที่ฉันมีแต่เมื่อเวลาผ่านความสุขที่ฉันพอมีมันคือเวลาที่ฉันได้คิดถึงเธอคือเวลาที่ดีที่สุดที่ฉัน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 ออกมาตรการชิมช้อปช้เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและคาดว่าในปลายปีนี้ก็จะคลอดมาตรการชิมช้อปช้ยเฟสสองออกมานะคะโดยนะคะท่านที่ปรดีกรมบัญชีกลางนะคะนายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุข ก, ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มีการพิจารณารายละเอียดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวชิมช้อปช้ระยะที่สองหรือเฟสสองไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีไป ในส่วนของกลมบัญชีกลางก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมาตรการได้รับประโยชน์สูงสุดและมีเม็ดเงินกระจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะโดยมาตรการชิมชอปชัยระยะแรกนะคะก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า1 0 7 0 0กว่าร้านค้านะคะโดยเป็นร้านค้ารายใหม่นะคะที่เข้ามาลงทะเบียนกว่า9 7 0 0 0ร้านคา้าร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีแอปถุงเงินเดิมอยู่แล้ว5้าห0ื่นกว่าร้านค้าและร้านค้าประชารัฐ ท, ที่ติดตั้งเครื่อง EDC อีก3 0,000 ่นร้านคา้าส่วนการโอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการชิมชอบใช้นะคะทางด้านของกลุมบัญชีกลางก็ได้โอนเงินให้กับร้านค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิจากกระเป๋า G Wallet หและก็ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์จากกระเป๋า G Wallet สนะคะ คุณผู้ฟังคะถ้าจำแนกนะคะเป็นประเภทชิมนะคะก็จะอยู่ที่เงินราวๆ 1,241 ร้ล้านบาทถ้าเป็นประเภทช็อปนะคะก็อยู่ที่ 4,847 ล้านบาทและประเภทใช้นะคะก็จะอยู่ที่116ร้ล้านบาทนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการและใช้สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทใน g w 1หมดแล้วสามารถเติมเงินของตนเองในกระเป๋า g w 2 ได้นะคะโดยสามารถใช้จ่ายเงินได้ทุกร้านของทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านนะคะส่วน g v a l ร์ t สก็จะได้รับเงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายจริงนะคะแต่ไม่เกิน 4,500 บาทถ้าเทียบกับยอดใช้จ่ายสูงสุดที่ 30,000 บาทค่ะดังนั้นนะคะก็อยากจะเน้นย้ำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วรีบไปใช้สิทธิ์นะคะ จ่ายเงินท่องเที่ยวตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดนะคะส่วนผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนในเฟส2ก็ขอให้วางแผนการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเงินให้รอบครอบนะคะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลต่อไปนะคะในส่วนของการแจกเงิน 1,000 บาทในเฟสนะคะคุณผู้ฟังทางด้านของ คู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้นะคะไม่ได้เสนอเหมือนกับเฟสแรกนะคะก็คือจะไม่ได้จ่ายเงิน 1,000 บาทนะคะเพราะว่าต้องการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยควักเงินในกระเป๋าของตัวเองออกมาจ่ายก่อนค่ะแล้วก็ค่อยคืนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ทีหลังนะคะเพื่อที่จะทำให้กระแสงเงิน่ะหมุนเวียนนะคะในในในตลาดนะคะ และเงื่อนไขของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการก็จะจัดให้มีการลงทะเบียนใหม่นะคะโดยเน้นกลุ่มที่มีกำลังซื้อจริงๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมมาตรการไม่ถึง10ล้านคนแล้วก็ไม่คึกคักเหมือนกับเฟสแรกค่ะ แล้วก็นะคะประชาชนผู้ลงทะเบียนชิมชอบใช้นะคะในวันแรกนะคะคือวันที่23กันยายนนะคะซึ่งได้ทำการยืนยันแล้วก็เปิดระบบแล้วควรจะต้องรีบใช้จ่ายเงินบางส่วนนะคะครั้งแรกภายใน14วันด้วยนะคะเพื่อป้องกัน ร, ระบบตัดคืนเงินค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้จ่ายเงินตามโครงการชิมชอบใช้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ในห้างคาปรียกใหญ่นะคะ ยังคงมีร้านโชว์หวยร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเข้าร่วมด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจสอบร้านค้าต่างๆได้ที่เว็บไซต์ w w w c h i m s h o p ว h บชิมชหรือที่แอปพลิเคชัน google map นะคะซึ่งมีการแสดงข้อความว่าร้านค้าชิมช็อปชัยด้วยค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้มนการสำนักแผนภาษีนะคะในการที่จะ จัดเก็บภาษีความเค็มนะคะโดยนะคะนายัฐกรอุเทนสุดนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสํานักแผนภาษีในฐานักรองโคโซกรมสัมพัฒสมิตรนะคะได้บอกว่าการเก็บภาษีความเค็มจากโซเดียมจะเก็บเฉพาะที่ได้ใช้ในการเพิ่มรสชาติของอาหารเท่านั้นแต่ในส่วนของร้านค้าธุรกิจชุมชนที่มีการใช้ความเค็มเพื่อการถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็น ปลาเค็มเนื้อเค็มกุ้งแห้งปลาราปลาเจา่วปลาส้มปลาจมกะปิน้ำบูดูไม่เข้าขายที่จะต้องเสียภาษีความเค็มนะคะรวมไปถึงสินค้ากลุ่มเครื่องปรุงเช่นน้ำปลาเกลือสีอิอ้วหรือจะเป็นรานค้าข้าวแกงอาหารตามสั่งกลวยเตี๋ยวก็จะไม่เสียภาษีค่ะ แต่สําหรับนะคะที่จะต้องเสียภาษีก็อย่างเช่นขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารกระป๋องเนี่ยค่ะก็จะต้องเสียภาษีความเค็มจากโซเดียมที่ใช้ในการเพิ่มรสชาติอาหารตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาปริมาณความเค็มค่ะว่าจะใช้มาตรฐานของหน่วยงานใดเป็นตัววัดเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้ให้คําแนะนําปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมต่อร่างกายคือ 2,000 ันมิลลิกรัมต่อวัน แต่ถ้าเฉลี่ยต่อมืออาหารก็ไม่ควรเกิน600มิลลิกรัมใช่ไหมคะแต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขไทยเนี่ยให้คำแนะนำปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมต่อร่างกายคือ 2,400 มิลลิกรัมต่อวันก็ถือว่าสูงขึ้นเล็กน้อยตอนนี้ก็ต้องหาข้อสรุปก่อนเพื่อที่จะนำมากำหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บ ต่อฐานการบริโภคต่อมือนะคะว่าที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าใดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยืนยันนะคะว่านโยบายของภาครัฐไม่ได้ต้องการจัดเก็บรายได้เยอะอย่างเดียวแต่ต้องการให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลดปริมาณโซเดียมในอาหารลงค่ะนี่ก็เป็นคำกล่าวของนายนัฐกรอุเทนสุดนะคะซึ่งเป็นผู้ในการสำนักแผนภาษีนะคะ และตอนนี้นี่นะคะก็กำลังจะดูนะคะว่าเราจะเก็บภาษีในอัตราที่เท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางกรมก็จะกรมสมรสามิตรนี่นะคะก็จะให้เวลากับผู้ประกอบการในการปรับตัวนะคะเช่นเดียวกับการขึ้นภาษีความหวานตอนนี้ก็จะขึ้นภาษีความเค็มนะคะแล้วก็จะเป็นการจุงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเค็ม ได้นะคะขอสรุปทั้งหมดก็จะได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้ามุมมองข่าวต่างประเทศค่ะหากสมมติว่าไม่ชีดินสมมติถ้าหาความรวสนี้มันคือความจริงไม่ได้สมมติเธอจะยอมรับให้ฉันบันทีพักจะเป็น ว่าไม่ใช่เรื่องสมมติช่วยตรยตรองให้ดีละมองฉันที่แววตาไม่ได้สมมติจะรังเกียจไหมถ้าเธอยอมรับให้เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นความจริงสมมุติว่าใครคนหนึ่งที่ได้ผ่านเข้ามาเปลี่ยนหัวใจให้สดใสสมมติว่าดู สนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t ีมุกวิ towards Innovative University คุณผู้ฟังคะช่วงที่สารของรายการมุมมองข่าวก็เป็นเรื่องของการที่อังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปหรือ b บ็ x ซินะคะตามกำหนดที่มีในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่านายบริต จอห์นสันนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ส่งจดหมายถึงสหภาพยุโรปในการเลื่อนเวลาเบ็กซิตออกไปเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษได้ลงมติเลื่อนการตัดสินใจรับรองข้อตกลงเบ็กซิตที่นายจอห์นสันทำร่วมกับ e ูนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษก็ได้ลงมตินะคะ322ต่อ306เสียงเพื่อเลื่อนการตัดสินใจรับรองข้อตกลง Brexit ฉบับของนายกรัฐมนตรีจอรนสันโดยระบุให้ยับยั้งข้อตกลง b r e ซิ t ไปจนกว่าจะมีการผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนนะคะการตัดสินใจเลื่อน การลงมติของรัฐสภาในครั้งนี้จึงทำให้นายจอ์นสานต้องยื่นจดหมายไปยังย่เง EU เพื่อขอเลื่อนเวลา b r e x ซ t ออกไปค่ะโดยจอนสานได้เปิดเผยหลังการลงมติครั้งนี้ว่าเขาจะเสนอให้รัฐสภาลงมติข้อตกลง b r e x ซ t อีกครั้งนะคะและจะพยายามให้ทุกอย่างนะคะจบลงนะคะตามจุดประสงค์เดิมค่ะ อีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับความบันเทิงของประเทศไทยนะคะที่ได้มีการจัดรางวัล Regional Winner ของประเทศในทวีปเอเชียนะคะก็คือ The a s e a n Academy Creative Award นะคะหรือรางวัลที่เรียกกันว่า A A A หรือ3 A นะคะซึ่งประเทศไทยนี้นะคะก็ได้มีการส่งเข้าชิงทั้งหมด23รางวัล น, นะคะซึ่ง ในจำนวนนี้ก็มีผลงานละครและรายการของช่อง3ถึง10รางวัลด้วยกันนะคะก็เป็นรางวัลจากละคร9รางวัลและอีก1รางวัลเป็นรายการว a ร i ริี้ซึ่งรางวัล Regional w วอ n e r ก็คือรางวัลที่ได้คัดเลือกโดยคณะกรรมการของ a a a ให้เป็นผู้ชนะและเป็นตัวแทนของประเทศในประเภทรางวัล น, นั้นเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินนะคะที่จะมีขึ้นนะคะในเดือนธันวาคมที่ประเทศสิงโคโปร์ค่ะ คุณผู้ฟังคะผลงานละครและรายการของช่อง3ที่ได้เข้าชิงถึง10รางวัล น, นี้นะคะโดยจะทำการเข้าชิงรางวัล ASEAN Academy Creative Award 2019นะคะเป็นการมอบรางวัลให้กับคอนเทนต์จากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะเพื่อเชิดชูความเป็นเลิศทางด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะ สำหรับผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์และผู้ผลิตสื่อซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะคะก็มีประเทศต่างๆนะคะมาเข้าร่วมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงโคโปร์สีลังกาไต้หวันเวียดนามและประเทศไทยคะ่ะ สำหรับการคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัลก็จะเริ่มจากการคัดเลือกจากภายในประเทศก่อนนะคะเพื่อหาคอนเทนต์หานักแสดงผู้ผลิตผลงานที่ชนะในระดับประเทศเป็นตัวแทนของประเทศไปสู่รอบตัดสินกับประเทศอื่นๆคะ่ะซึ่งผลงานจากประเทศไทยในปีนี้เข้ารอบทั้งหมด23รางวัลจาก30ประเภทนะคะ ก็จะมีรางวัลจากผลงานของช่อง30รางวัลด้วยกันนะคะมาจากเรื่องกงกรรมทองเอกหมอยาท่าฉลงอังกอรวไวแสบสาแหลกขาดแล้วก็รายการ First Class t h a i l a น d นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลผู้ผลิตคอนเทนต์นะคะในทวีปเอเชียทั้งหมดนะคะก็จะนำไปแข่งขันกันนะคะที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็ผล จะประกาศนะคะในเดือนธันวาคมนะคะประเทศไทยนะคะส่ง10รางวัล น, นะคะในประเทศมาเลเซียส่ง16รางวัล น, นะคะประเทศสิงค โ, โปร์ส่ง14รางวัล น, นะคะก็แล้วแต่นะคะประเภทรายการนะคะที่ได้มีการแข่งขันกันนะคะสำหรับผลงานของช่อง3ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน10รางวัลก็จะเป็นรางวัล The Best Actor in a นะคะในริเนะคะก็คือจิรายุตั้งศรีสุขในลในละครเรื่องกลงกรรมนะคะซึ่งเป็นรางวัลผู้แสดงดีเด่นนะคะผู้แสดงฝ่ายสนับสนุนดีเด่นก็คือเด่นคุณงามเนรนะคะผู้แสดงหญิงนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนผู้แสดงหญิงนะคะก็คือพิชาภาพันธธุมจินดานะคะ แล้วก็ผู้แสดงตลกนะคะก็คือมาริเอลเมลเลอร์นะคะแล้วก็กำกับดีเด่นนะคะก็คือพงพัฒน์วชิระบัญจงนะคะแล้วก็เรื่องซีรีส์ดีเด่นนะคะคนก็คือเรื่องกงกรรมนะคะผู้เขียนบทนะคะนัทยาศิลกรวิไลไวยแสบสระรขาดนะคะแล้วก็ผู้แต่งเพลงนะคะก็คือนรงวิทย์เตชะธนวัฒน์แล้วก็จั ก, กริด มันขนาดโสนะคะแต่งเพลงร่วมกันนะคะชื่อเพลงผิดหรือที่รักเธอนะคะแล้วก็จะเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับภาพนะคะก็คืออังกอรแล้วก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะที่ถือว่าชั้นนำนะคะก็เป็นของ JKN CNBC นะคะก็คือรายการไลฟ์สไตล์ยอดเยี่ยมนะคะโดยทั้งหมด10รังวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็จะ ประกาศผลนะคะในวันที่5ถึงวันที่6ทธันวาคมที่โรงละครวิกตอเรียประเทศสิงโคโปร์ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนทั่วไปก็ร่วมส่งกำลังใจนะคะรุ้นผลงานของช่อง3ามนะคะิรางวัลด้วยกันทั้งนี้ก็หากว่าได้รับรางวัลมานะคะก็ถือเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะเราก็จะได้พัฒนาวงการ น, นี้นะคะให้ก้าวหน้าต่อไปนะคะ